อย่านั่งทิ้งเวลาเปล่าๆหายใจไปรู้สึกตัวไปเวลาหมดตลอดเวลาไม่มีคืนมารู้สึกตัวไปหายใจใหายใจสบายๆหาย ใ, หใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวอย่าใจลอยแล้วก็อย่าบังคับตัวเองให้เคร่งเครียด แ, แค่รู้สึก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 หลวงพ่อไปเทศที่นอนที่นี่เรื่อยๆ เ, นะเจอคนที่เขาฟังซีดีไม่เคยเจอหลวงพ่อนะเขาก็ภาวนาเป็นแล้อจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้จริงๆไม่ใช่ผู้คิดผู้เนึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้ตื่นเึ้นมาเห็นกายเห็นใจทำงานได้คนทำได้เยอะแยะเลยเมื่อกี้ก็มีเด็กสิบขวบหนึ่งส่งกันบ้าน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 ถ้าเดินท่านี้ไม่ถูกมาเถียงกันเรื่องท่าเดินท่านภาะนาไม่เป็นหรอกถ้าภาวนาเป็นไม่มานั่งเถียงกันด้วยเรื่องงี่เงา่าต้องเรียก ง, งี่เง่านะนี่พอเราคิดถึงการปฏิบัติทีลรเราจะบังคับตัวเองอย่างพวกเราหายใจมาตั้งแต่เกิดนะสบายๆหายใจมาสบายๆแต่พอเราคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยมก็เริ่มไปจ้องไปแทรกแซงการหายใจใ จ, จเริ่มเครียดๆอึดอัดแน่น หรือนั่งก็ต้องนั่งไม่เหมือนปกติเดินก็เดินไม่เหมือนปกติต้องเดินท่านี้ทีกเคียงกันนะจะ ย, ยกขาสูงเท่าไหร่จะกต้าไปยาวเท่าไหร่นะคนขาสั้นกับคนขายาวขามันไม่เท่ากันะต่างคนต่างก้าไม่ใช่ว่าทุกคนต้องก้ายาวเท่ากันสูงเท่ากันยกแค่นี้ย่างแค่นี้เหยียบแค่นี้ ที่เขาจัดคอสเสียใหญ่หญเขาพยายามให้เดินเท่าๆกันเพื่ออะไรจะได้ไม่ไปเหยียบคนท้างหน้าเขาบางคนขามยาว เ, าเขาจริงแล้วไม่ใช่เรื่องการปฏิบัติการปฏิบัติไม่ใช่การมากําหนดว่าท่าทางอย่างนั้นถูกท่าทางอย่างนี้ผิดมันอยู่ที่ว่ามีสติหรือเปล่างั้นทํ า, าอะไรเข้าขายควบคุมกายควบคุมใจนะมีกายก็บังคับมันเช่น<ม>กําหนดลมหายใจไปบเสื่นออัดเลย เนี่ยทรมานร่างกายยีจิตใจก็บังคับมันจนมันแข็งแข็งเครียดเคียดแน่แนๆอย่างนี้มันตกเข้าไปในไครที่เรียกว่าอั ต, ตคิลมฐานุโยกบังคับตัวเองเป็นความสุดตง่งการสุขาริการนุโยค ก, การที่เราหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนะี่ยหรือในเรื่องราวที่เราคิดเพลิดเพลินไปอันนี้เป็นสาหรับคนซึ่งเขาไม่ได้ภานาะนะคนหลงโลก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 ต้องมีความผ่อนคลายมีความสบายมีความสุขหายใจไปอย่างสบายๆนะไม่ใช่บังคับว่าต้องสงบนะพุโทโธพุโทโธต้องสงบไม่สงบเราเพือเครียดหายใจไปก็หายใจสบายนะหายใจว่าต้องสงบก็นะไม่สงบก็เครียดอีกไม่เครียดรับมันอันเดียวกันมาหลักอันเดียวกันรู้อารมณ์อันเดียวที่มันมีความสุขไม่เครียดงนะั้นเรา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 งั้นอย่างเราจเจริญเมตตานะเมตตาเริ่มตั้งแต่เมตตาตัวเองก่อนก็ได้นะเพราะเรารักมันเมตตาสิ่งที่เรารักนะี่ทำง่ายเมตตาศัตรูนี่ทํายากที่สุดเลยนะถ้าใจไม่ถึงทําไม่ได้ฮนะมันเมตตาไม่หลงอยากให้มันตายเร็วๆเ <c oughs> นี่ยนั่งนึกไปบางคนภาวนาล้โมโหตัวเองเคยเป็นไหมแหมทําไมมันโง่อย่างนี้นะด่ามันใหญ่เลยเมื่อไหร่มันโง่ โง่เจ็ดชั่วโคดเนี่ยด่าบรรพบุรุษตัวเองด้วยโมโหนะในโมโหอย่าไปโมโหมันนะนั่งสงสารมันโถน่าสงสารนะไ อ, ไอสัตว์ตัวนี้นะทําไมมันขี้โมโหนักน่าสงสารโมโหที่ไรมันก็ทุกทุกทีเนี่ยสงสารมันเราสงสารนะ ไ, อไอตัวเนี้ยไอตัวเราเนี้ยน่าสงสารนะถ้ามันดีจริงคงพ้นทุกข์ไปแล้วละ่ะนะ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 เรานึกอินื้ถึงคนที่เราเกลียดสักคนหนะึ่งมีไหมเอาที่เกลียดที่สุดที่เรามีตอนเนี้ยเรานึกสักคนหนึ่งเอาทุกคนนึกมีไหมมีไหมไหมบางคนไม่ได้เกลียดคนแต่เกลียดหมาอย่างงี้ก็มีนะหมาข้างบ้านตอนดึกๆชอบเห่าเกลียดมันเมื่อไหร่มันจะถูกยาววางยาตายสตินี่เรานึกถึงสิ่งที่เราเกลียดแล้วเราเห็นไหมว่าใจเราเกลียดเดี๋ยถ้าเราเห็นว่าใจมันเกลียดนะใจมันรล้าร้อน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 นป่ามันถูกทำลายมากนะสัตว์มันก็เข้ามาอยู่ในวัดมันร่มเย็นมันสบายควรไม่ชอบ่ตุ๊กแกนี่จริงตุ๊กแกสวยนะใครเคยเห็นไหมดูใกล้ๆเคยเห็นดูใกล้ๆไหมสวยนะมีลวดลายลายกนกนะ่ไหสวยมีสีสารจุดแดงจุดน้าเงินจุดอลยเนี่สวยนะตัวก็เทาๆอะไรเงี้ย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 ผิวหนังเนี่ยมันสวยนะเมันหุ้มของโสโครกไว้เข้าไหนเนี่ยใจท่านตัดออกไปได้เนี่ยเร่องพิจนารณาปฏิกูลอสุภะใจที่กำลังดิ้นเล่าๆด้วยราคานะก็ดับก็นะาหายไปหรือเจริญเมตตาเนี่ยใจที่กำลังโกรธอยู่ก็าหายไปนะเนี่ยเราทำกรรมฐานแล้วก็ดูตัวเองขี่โกรธก็เจริญเมตตานะชอบโน่นชอบนี่บ้ากรมมากพิจนารณาปฏิกูลพิจารณาสุภนะ หลงในเกียรติยศชื่อเสียงลงอะไรก็พิจารณาความตายบ้างอย่างบางคนอยากใหญ่อยากใหญ่พิจารณาความตายยังไงพิจารณาว่าเดี๋ยวอายุหกสิบก็ตายจากตําแหน่งนี้ละเนี่ยสูดเสียเคยเป็นใหญ่เป็นโตนะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นไอ้นูนเป็นไอ้นี้หรือเป็นสสนะครบเทอมเขาก็เอาออกบางทีไม่ทันครบก็โดนเอาออกนะหรือเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้ว่าเป็นอะไร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 คิดพิจารณาธรรมะที่ไม่ใช่พิจารณาเพิร์เจอทั้งวันนะคิดธรรมะทั้งวันฟุง้งซ่านนานๆพิจารณาธรรมะสักเรื่องหนึ่งที่เราติดข้องอยู่อะไรเนะนี่ยพิจารณาไปหรือคิดถึงคุณของพระธรรมคุณของพระธรรมนี่ยิ่งใหญ่นะสามารถเปลี่ยนสัตว์ร้ายกาจอย่างพวกเราให้ดีขึ้นดีขึ้นได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้เนะี่ยคิดถึงคุณ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 พระโมคคัลลาภาษาลิบูดพระมหากรสปาอะไรพระมหากรพีนาอะไรย่างเงี้ยคิดถึงท่านแต่ละองค์แต่ละองค์นะคิดถึงพระอนุนอะไรเงี้ยความดีคิดถึงไปแล้วใจมีความสุขหรือคิดถึงคนดีๆคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวคิดถึงสมเด็จพระเทพอย่างเงี้ยคิดถึงคนดีๆเรียกว่าเทปตานุสติเนี่ยพอเราคิดถึงคนดีๆจิตใจเราก็มีความสุขถ้าไปคิดถึงผู้ร้ายใจไม่มีความสุขเห็นไหมเนี่ยเราก็รู้จักเนี่ยใจมันชอบคิด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 ในทางปฏิบัติจริงมีนับไม่ถ้วนมีเยอะกว่านั้นอย่างพระบางองค์นะท่านขยี้ผ้าขาวพระพุทธเจ้าให้พระจุลปันธกะขยี้ผ้าเช็ดหน้าขยี้ไปขยี้ไปเรืเ่อยๆแล้วบริกรรมว่าผ้าเช็ดฝุน่นย่อมเช็ดฝุน่นผ้าเช็ดฝุน่นย่อมเช็ดฝุน่นนี่ภาษาไทยภาษาแคงระโชหรณังระ ช, ชังหรติระโชหรณังระชังหรติ เห็นไหมพุทธเจ้าท่านตั้งคําบริกรรมให้ฟังแล้วนุ่มไหมระโชฮารณังระชังหรติฟังก็จะสงบแล้วเนะี่ยบริกรรมระโชฮารณังระชังหรตนะิไม่ใช่ส ง, สงบสงบสงบสงบนะอย่างนี้ไม่สงบหรอกเนะี่ยพระจุลปันธกาขายี้ผ้าขาวไประโชฮารณังระชังหรติขยี้ไปขยี้ไปนะมาดูผ้าไอ้ผ้าเมื่อกี้ขาวแต่นี้ดํา ร่างกายนี้โศโครกดนะงนั้นท่านเห็นอะไรมีปฏิคูณมีปฏิคูณสัญญาขึ้ระลึกได้ถึงความโศโครกของกายใจรวมลงมาสงบเนะนี่ยกรรมฐานมีเยอะแยะนะอีกองหนึ่งท่านเป็นช่างทองนะช่างทองแล้วเป็นหนุ่มด้วยภาษาริบุตรเขาบอกว่าให้พิจารณาสุภาปรากฏว่าท่านไม่ชอบสุภาเลยพิจารณาสุภาล้วเครียดจิตไม่สงบเลย ทาัทางที่เป็นพวกราคาจริตนะแต่ว่าราคาอย่างแรงไปพิจารณาของโสโครกมากๆทนไม่ได้เลยนท่านจะศึกน่ะดีพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าองค์เนี้ยมีวาสนานะมีบา ร, รมีจะเป็นพระอราหันต์ด้วยซ้ํำไป mm hmm. ท่านก็ไปดักตอนจะออกจากวัดเนี่ยดักเอาตัวมาแล้วท่านให้ดอกบัวไปดอกดอกบัวแดงนดอกบัวที่แคบใช้ไหว้พร้มบัวสาย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 คิดเรื่องใจรักษ์เป็นวิปัสนาไหมคิดเรื่องใจรักษ์ไม่ใช่วิปัสนาต้องเห็นนะเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยธรรมจักสุกด้วยตาปัญญามีปัญญาไปเห็นเห็นสภาวะนะเห็นสภาวะ ท, าทั้งหลายที่เป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายแล้วก็มีไตรลักษณ์อยู่ในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนั้นเห็นไตรักถึงจะเป็นวิปัสนาะตัวนี้ต้องให้แม่นนะพวกเราบางคนไปเข้าคอร์สวิปัสนา นะยกเท้าย่างเท้าท้องพองท้องยุบเห็นแต่เทา้าเห็นแต่ท้องไม่ใช่วิปัสนานะเป็นสมถะเพราะอะไรทำไมเป็นสมถะก็แพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องก็ เ, เป็นสมถนะเพราะนั้นเราก็ต้องดูอารมณ์ของวิปัสนาเนี่ยมีอารมณ์รูปนามนะเป็นอารมณ์เป็นตัวหลักเลยแต่บางทีก็แจกแจงออกไปได้หลายแบบรูปนามเนี่ยแจกแจงออกได้หลายแบบแจกแจงเป็นขันห้าก็ได้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 ถ้าถนัดดูร่างกายเราดูเรื่องอายตน 6, นะหกความจริงยังมีอีกมีธาตุสิบแปดไอ้พวกอยากดูเยอะๆทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมมากๆนะมีทั้งสิบแปดอย่างถ้าถ้าถนัดนามธรรมอยากดูนามธรรมให้ละเอียดเข้าไปอีกนะยังมีอีกคืออินทรีย์ยี่สิสองในอินทรีย์ยี่สิบสองเนี้ยส่วนใหญ่เป็นนามธรรมนะส่วนใหญ่จะเป็นนามธรรมหรือถ้าฉลาดมากเลยมีบุญบารมีมากนะ รู้อริยสั์รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ปฏิจจ บ, บาตที่พูดพูดกันไม่ใช่ของจริงนะพูดแต่ปากหรอกใจไม่เห็นไม่เห็นสภาวะไม่เป็นหรอกต้องเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นการความเป็นไตรลักษณนะ์ไม่ใช่เข้าใจด้วยการคิดเอาว่าเพราะอาวิชามีอยู่สังขารจึงมีอยู่นะอวิชชาคืออะไรนะแยกได้แประการ สังขารเป็นยังไงแยกได้สามประการอะไรเงี้ยเพราะสังขารมีวิญญาณจึงมีวิญญาณนี่คืออะไรนีคือปฏิสนธิจิตอะไรเงี้ยเพราะวิญญาณมีจึงมีนามรูปนามรูปนะก็มีนามปรธรรมทั้งหลายก็มีรูปธรรมมีนามรูปจึงมีอายตนะมีอายตนะนะจึงมีผัสสะนี่รู้หมดเลยผัสสะมีหกอย่างอายตนะมีหกผัสสะก็มีหกเนี่ยไม่ใช่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 ถ้าหากเห็นว่าร่างกายที่ยืนอยู่ไม่ใช่เราร่างกายที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดจะไม่ใช่เราเลยเพราะทั้งวันมันก็มีแต่ยืนเดินนั่งนอนส่วนอิริยาบถพิเศษเช่นกระโดดอะไรย่างงี้ก็มีไม่มากใครจะกระโดดทั้งวันใช่ไหมไม่ใช่ผีแมนจูเนี่ยกระโดดรุบๆนะหรือผีกองกอยก็กระโดดไปเรืนะ่อยเพราะอิริยาบถกระโดดเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ใส่ไวนะ้ถ้าใส่ ย, ยืนเดินนั่งนอนเพราะอะไรเพราะพวกเราไม่ได้ค่อยกระโดดหรืออิริยาบถว่ายน้ำเนี่ยนะท่านไม่ได้ใส่ไว้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 นะเป็นเกิดเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนี่เราฝึกเราดูของจริงนะเห็นของจริงที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ในใจเรื่อยๆไปต่อไปจิตใ จ, ใจมันยอมรับความจริงนะว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับถ้ายอมรับตรงนี้ได้นะั่นคือว่าความสุขเกิดความสุขก็ดับความทุกข์เกิดความทุกข์ก็ดับเนะี่ยจิตยอมรับแบบนี้นีต่อไปนะเวลาเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักใจเราอยู่ๆแฟนเราทิ้งเนี่ยนะใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราเคยหัดรู้หัหดดูเรารู้ว่าความทุกข์มันของชั่วคราวมันมาแล้วมันก็ไป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 ความเจริญและความเสื่อมเนะ่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปวุ่นวายกับมันจเจริญรู้ว่าเจริญเสื่อมรูม้ว่าเสื่อมก็ยังเป็นของที่เป็นคู่คู่อีกนี่หลวงพ่อไปเจอนะที่หลวงตามหาบัวท่านสอนไว้ตั้งแต่เจ็ดธันวาสองพันห้าร้อยสองท่านสอนไว้จำได้เพราะหลวงพ่ออายุเจ็ดขวบตรงกันนึ่งร้อยสองหลวงตาท่านสอนไว้บอกว่าการภาวานานะ่เหลือแล้วรู้นะ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 เปลี่ยนแปลงตลอดจิตใจก็ไม่เที่ยงบังคับก็ไม่ได้มาแล้วก็ไปทุกสิ่ง่นี่เห็นความจริงอย่างนี้จิตใจจะเข้าสู่ความสุขความสงบที่แท้จริงด้วยปัญญาจิตจะหมดแรงดิ้นตรงที่จิตเห็นความจริงแล้วเนี่ยจิตจะหมดความดิ้นรนเมื่อจิตหมดความดิ้นรนนี่นะจะหมดความจงใจจะหมดเจตนานะจะหมดเจตนาทุกวันนี้ที่ปฏิบัติเนี่ยมีเจตนาปฏิบัติฟังเราดีนะาเจตนาปฏิบัติ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 อันนี้ไม่ต้องน้ำว่าจงใจชั่วนะจงใจชั่วก็ดิน้นจงใจปฏิบัติก็ดิน้นจงใจชั่วปรุงชั่วไปเรียกอาปุญญาพิสังขารใจก็ดิน้นแบบอาปุญญาพิสังขารปรุงดีเขาเรียกว่าปุญญาพิสังขารก็ดิ้นแบบปุญญาพิสังขารดิ้นแบบคนดีคนดีดิ้นไหมอยากใส่บาตรเนี่ยอยากให้พระมาเยอะๆจะได้ใส่บาตร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 จิตอย่างนี้มันไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ทั้งดีและชั่วนะมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบที่แท้จริงเพ่าะอย่างบอกแล้วเนี่ยว่าจิตถูกความดีปรุงแต่งก็ยังทุกอยู่เลยนะอันนี้พ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงก็พ้นจากทุกข์ทั้งปวงไม่มีความตรุงแต่งเรื่อง่าวิสังขารไม่มีความหิวโหวยเรียกว่าวิราคานะะไม่ยึดถืออะไรเลยเป็นวิมุตตนะิสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงไม่ใช่ปรัชญานะพระพุทธเจ้าสอนวิธีปฏิบัติให้แล้ว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 ไปเปิดฟังไม่ใช่เปิดดูนะไปเปิดฟังเอาถ้าเป็น you Tube, YouTube, ยูทูบยู u ูบอะไรก็ไปดูเอานะมีทุกคำตอบที่ควรจะตอบเรื่องที่ไม่ควรตอบก็ไม่มีรู้สึกไหมมีความสุขเนี่ยรู้สึกไปแค่รู้สึกนะแค่รู้ความรู้สึกของตัวเองอะ่ะนะมันจะยากอะไรนักหนานะไปฝึกเอานะเอา้ามีส่งกันร้านเปล่าการบมสกาหลวงพ่อนะคะ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 แน่ใจเถอะไม่ถึงไม่ถึงใจมันอยู่ที่หลวงพ่อแล้วมันจะถึงฐานได้ไง <S 1> <1> <S รู้สึกไหมใจมันมาอยู่ที่หลวงพ่อเนี่ยคอยรู้ทันนะวิธีที่จะรู้ทันว่าจิตของเราไปอยู่ที่ไหนเนะี่ยมีวิธีซ้อมนะนั่งสบายๆก่อนแล้วนึกไปที่ผมหน่อยเนี่ยไล่ไปที่ผมย้ายมาที่หูย้านยะมาจมูกอะไรเนี่ยไล่ความรู้สึกไปย้ายความรู้สึกไปเรื่อยต่อไปเวลาความรู้สึกเรามันไปอยู่ที่ไหนเนะี่ยเราจะรู้ทัน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 วัตตะทำงานอยู่ตลอดเวลาหมุนเวียนเกิดดับหมุนจี๋จีจ๋อยู่ในใจเราเนี่ต้องเห็นอริยสัจถิจะทำลายวัตตะนี้ได้ส่วนวังวนนะั้นต้องเห็นโทษของกรรมถึงจะทำลายได้เราจะวังวนอะไรอะ่ะอ น, นี้ก็ขอความเมตตาหลวงพ่อครับกลัวก็รู้ว่ากลัวครับตื่นเต้นรู้ว่าเต้นเต้น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 อย่างนี้นะเน็กล็ดลับเคล็ดลับแท็กติกอันนี้เพราะอะไรตอนที่หายใจเข้าไปเนี่ยมันจะแน่นถอนใจสติมันจะคลายนะเออมันจะพอดีนะลองไปทำดูอ้าครับกรับน้ำสการหลวงพ่อจะไปตีกับใครเนี่ยห้อยเขาร่วงมาด้วยเอาไว้เตือนสติครับเออดีก็ครั้งแรกที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อครับ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 นนเนี่ยคอยดูไปเรื่อยๆทุกอย่างมันเป็นเองมันไม่ใช่ตัวเรามันทำางานได้เองไปดูในมุมของอนัตตาไว้เราเป็นพวกปัญญาเ ก, กียกล้าอางนั้นดูอนัตตาไปบ่อยๆเห็นไม่เป็นทางานได้เองดูอย่างนี้นะดู บ, <ๆ S 2> บ่อยๆก็เคยคเคยเห็นเวลาคุยกับใครแล้วไม่ไม่ไ ม, ไม่พอใจคำพูด<อ>จะมีความรู้สึกว่ามันมันโกรธมันดันขึ้นมาใช่ใช่ครับถูกมันดันไดหลายระดับนะ ถ้าคุณขุนนิดหน่อยก็มีหน้าแดนล่าแรงมากมันขึ้นหัวเลยครับใช่ไหมขึ้นหัวเลยหน้าร้อนเลยครับรู้สึกตัวอีกทีชกเข้าไปล้วมีหลายดีกรีแต่รู้สึกว่าตอนนี้จะจะลดลดตัวที่มันลดเองเพราะว่าอะไรเพราะสติเราเร็วขึ้นมันไม่มีโอกาสโกรธแรงเพราะว่าพอเริ่มโกรธนี้นี้ก็มองเห็นแะ้แล้วเห็นไหมเวลาโกรธทีไรทุกก็เกิดทุกทีดูออกไหมครับ คอยดูไฟตาไฟขี้เกียจโกรธมันมีแต่ทุกข์อ่ะที่หลวงพ่อบอกเม่อกี้นี้ให้ดึงจิตเข้ามาในกายเนี่ยือที่ดึงจิตเข้ามาในกายนยครับดึง<อ>ยังไงครับไ ม, ไม่ดึงไม่ดึงนะแค่รู้ทานว่าจิตมันหนีไปอยู่ข้างนอกอมันไปโล่งว่างอยู่ข้างนอกเนี้ยะก็มีวิธีง่ายๆคือรู้สึกในร่างกายบ่อยๆอย่าไปดึงจิตเข้ามานะคแค่รู้กลับมารู้สึกในร่างกายเนี่ยรหรือแต่ถ้ามันรู้สึกแล้วมันก็ยังไม่ยอมมานะมันจะอยู่ข้างนอกอย่างเดียวมันเคยตัว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 อ่ามันมืดแบบมีมีแต่ความมืดแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นไปครับอ่าอยู่มืดมืดงั้นเหรอครับพาวนาไงวะมืดมืดเนี่ยมันแต่เมื่อก่อนนี่มันความรู้สึกว่ามันอ่าความคิดมันแวบไปแวบมาพอนี้นั่งไปแป๊บเดียวมันควมรู้สึกว่ามันเนี่ยมืดเหมือนเหมือนจิตคล้ายๆว่าจิตมันรวมอะไรประมาณนั้นแหละครับให้จิตรวมมื่ต้องสว่างนะมันจะรวมมืดมืดไนนั่งสิอ่าวางไม้แป๊กนั่งให้ดูหน่อย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 เฉยได้ก็ไม่เป็นไรพามันดูของจริงไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งใจก็ยอมรับเนได้นะดีมีของเก่าก็ภาวนาไปดีแล้วค่ะก็ตั้งใจว่าจะมาขอให้หลวงพ่อแก้จุดที่บกพร่องให้ค่ะแล้วก็ขอการบ้านไปทำต่อค่ะไปทำต่อนะไปดูไม่ได้เอาดีไม่ได้เอาว่าต้องเจริญอะไรหรอกดูไปเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกอย่างบังคับไม่ได้นะคืออย่างนี้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 พอรู้สึกว่าเห็นเห็นนิจังเกิดดับบ่อยๆแล้วมันจะมีความสะเทือนใจมากไปเลยใช่ถูกต้องละนั่นภาวนาถูกละ้ัดไปนะพอดูเห็นของจริงเนี่ยใจมันยอมรับความจริงไม่ได้คนนี้ก็เหมือนกันคนนี้เขารักสวยรักงามมากพอภาวนาไปรู้สึกว่าร่างกายนี้เขาแปรปลุกอะไรเนี่ยมันสะเทือนใจอย่างแรงเลยบิงทีน้ําหูน้ําตาจะร่วงเอานะรับไม่ได้เป็นทุกคนเนี่ยถูกแล้ก็เหมือนกับเห็นความสุขมัน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 นะคะเป็นธรรมชาติทางนานผูกมันถึงจะเห็นจนะเ ก, เกิดความสลดใจเกิดความเบื่อหน่ายนะเบางทีก็รู้สึกว่าไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเลยทุกอย่างในโลกนี้มีแต่ความแปรปรวนอะไรเงี้ยเนี่ย ใ, ใจที่มีปัญญานะจะเห็นอย่างเงี้ยแต่ว่าใจยังหวั่นไหวอยู่ให้เรารู้ทันว่าหวั่นไหวเดี๋ยวใจมันจะเป็นกลางขึ้นมาก็มีคําแนะนําเพิ่มไหมคะเนี่ยแค่นี้ก็เยอะแล้วไปทําออกนะ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 แล้วกว่าใจนี่นุ่มเลยนะรู้เนื้อรู้ตัวนี่ฉลาดจริงไม่ต้องเปลี่ยนกรรมาฐาน่ปรับนิดเดียวเองไปทำเอาอเใจยังไม่ค่อยมีแรงยังฟุ้งอยู่นะฟุ้งก็หายใจไปอนาปนาสติดีดนะสำหรับคนจุ้งสั้นถ้าฟุ้งมากก็ประกอบด้วยธรรมบริกรรมหายใจเข้าพูดหายใจออกโวอะไรก็ได้นะต่อไป กลับในวั صار หลวงพ่อคะ่ะคืออยากถามว่าหนูทำถูกหรือเปล่าคะ่ะหนูเห็นไหมว่ากากระใจมันโคละอนกันค่ะน่ะขันหนูแยกแล้วแล้วขันมันแยกได้แล้วหนูดูต่อไปนะร่างกายมันทํางานใจเราเป็นคนดูไปเลยมันไม่ใช่เราหรอกนะแล้วความรู้สึกทั้งหลายกระใจเขาคนละอันดูออกไหมใช้ได้แล้วล่ะอายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบค่ะยี่สิบเพรานาเก่งกว่าหลวงพ่ออีกหลวงพ่อยี่สบยังทําแต่สมถานี่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 ดูเวทนาด้วยจิตที่เป็นกลางแต่ว่าบางคนเนี่ยทำกรรมฐานนะสมาธิเราไม่พอเราอยู่ไปดูที่เวทนาเป็นหลักให้เรารู้ฐานที่จิตเป็นหลักไม่ใช่ว่าดูจิตแล้วเวทนาดับนะให้ดูจิตเป็นหลักหมายความว่าอย่าความนั่งสมาธิอยู่เนี่ยบางคนดูกายเป็นหลักก็เห็นร่างกายหายใจอยู่และใจเป็นคนดูนี่ดูกายเป็นหลักบางคนก็ใช้เวทนาเป็นหลักก็เห็นความเจ็บปวดเกิดขึ้นใจเป็นคนดูเห็นเวทนาไม่ใช่ความ ไม่ใช่รัดไม่ใช่จิตที่เป็นคนดูเวทนาก็ไม่ใช่ร่างกายด้วยแยกอยู่ต่างหากแต่ตรงนี้ถ้าบางคนทนไม่ไหวนะอย่ามัวแต่ดูเวทนาให้ดูที่จิตแทนเช่นพอมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นจิตไม่ชอบรู้ที่ความไม่ชอบเนี่ยแทนที่จะดูเวทนาก็มาดูที่ความไม่ชอบเนี่ยให้มาดูจิตแทนสําหรับบางคนที่ทนดูเวทนาไม่ได้ก็ดูจิตแทนเพราะว่าจะดูกายดูเวทนาดูจิตก็ใช้ได้เหมือนกันทั้งหมดแหละ คุณเอาหนูไปดูจิตไปนะเป็นคนช่างคิดก็ดูจิตเอาพวกช่างคิดให้ดูจิตเพราะอะไรเพราะคิดเรื่องนี้สุขคิดเรื่องนี้ทุกคิดเรื่องนี้ดีคิดเรื่องนี้ร้ายจะเห็นเลยมันเปลี่ยนตลอดเวลาพวเพราะมันช่างคิดเพราะนั้นคนช่างคิดก็มีบุญนะไปดูจิตง่ายพวกไม่คิดอะไรวันนึง <c oughs> อย่างนี้ยไปดูกาย <c oughs> ไปกวาดบ้านถูบ้านไปทําอะไรเข้าไปอ่ะกลับนมัสการเจ้าค่ะ คือปฏิบัติมานานแล้วค่ะแต่ไม่เคยส่งการบ้านของพ่เป็นครั้งแรกมีอยู่ช่วงหนึ่งปฏิบัติไปแล้วที่กลางอกมันหมุนค่ะมันหมุนหมุนแล้วมันหมุนหมุนทั้งวันทาไมมันเราก็ถามตัวเองว่าทำไมมันหมุนทั้งวันแล้วมันก็หายไปค่ะบางครั้งลมหายใจมันจะเดินเองแล้วก็นอนดูลมหายใจว่ามันเดินชึกชักชักชักในร่างกายแล้วมันก็ดับไปดูอย่างนั้นก็ได้ แต่บางครั้งนีขนขณะที่ครึงหลับคลึ่งตื่นมันจะเห็นภาพดิมิตเหมือนเป็นจอแล้วก็มีการเคลื่อนไหวเหมือนดูทีวีค่ะอืมอันนั้นเราไม่ดูนะเราเป็นเวลานอนไม่ควรดูทีวีให้เราย้อนมารู้ทันใจของเราเนี่ยใจเราไหลไปอยู่ในจอลนะวอันนี้่าไหลไปอยู่ในจอนะั้นบาทีเดี๋ยวมันพาเราไปเห็นโน่นเห็นนี่นะพยายามรู้สึกตัวไว้อย่าให้ใจไหลเข้าไป แต่ถ้าอยากหลับก็ปล่อยให้ไหลนะแล้วก็หลับไปเลยนะเพราะว่าภูมิจิตภูมิธรรมระดับเนี้ยยังต้องไหลก่อนถึงจะหลับะถ้าไม่ไหลไม่ยอมหลับเลยถ้าฝึกเก่งๆจริงนะไม่ต้องไหลก็หลับนะเพราะฉะั้นคนที่ไหลแล้วหลับเขาเรียกหลับไหลเอนะถ้าหลับรู้เนื้อรู้ตัวเรียกมีสติหลับไปด้วยความมีสติจิตไม่เคลื่อนเลย แล้วทีนี้ว่าทุกวันเนี้ยค่ะอยู่เหมือนสัญญาความจํามันไม่ลือมอะค่ะแต่ว่ามันไม่มันไม่จําต้องจําอะไรที่ควรจําก็คือต้องสนใจใส่ใจลงไปเพิ่มสติลงไปเพิ่มความใส่ใจลงไปหน่อยนะอย่างเราจะวางแก้วน้ําไว้ตัวเนี้ยขี้ลืมวางแล้วหายทุกทีเวลาจะวางก็ทำความรู้สึกลงไปวางไว้ตรงนี้นะหนึ่งเี้ยเพิ่มความรู้สึกเข้าไป ใส่สติสัมปชัญญะเลย น, นั่นแหละมือนวังนะแป๊บเดียวไม่รู้อยู่ไหนแนะ้ว อ, อ, อย่างนี้ต้องทํายังไงต่อไปชรับชีโมโหไหมเป็นค่ะนะชีโมโหดูเดือดค่ะเงั้นเราเรารูคอยรู้ทันใจของเราก็ลักกันใจเราขุนมัวขึ้นมาให้รู้ว่าขุนมัวนะใจเราฝ่องใสให้รู้ว่าฝ่องใสดูง่ายงแค่นี้แหละ ให้ดูใจอย่างเดียวดูใจใจคุณมัวรู้ทันใจผ่องใส่รู้ทัน <Okay. S 1> นะฝึกไปเรื่อยเอาแค่รู้นะไม่ใช่ว่าต้องใสหรอก <Okay. S 1> ไปฝึกตัวนี้ให้เยอะๆไปใช่ okay. ค, ค่ะนิมมุตนาค่ะกลับนมัสการเยอะข้าวพ่อตอนนี้เครียดแล้วสั่นแล้วเครียดแล้วคนะ่ะเหรอให้คนอื่นเขาก่อนสิ <laughs> ไม่อยากให้อาว่ามาก็คือนั่งนั่งอยู่นี่มันก็แบบบางทีซึมค่ะอืมซึมแล้วก็เริ่มแบบใจก็เริ่มเต้นเต้ฉพาะที่นี่ป่ะหรืออยู่ที่อื่นเป็นที่อื่นบางทีก็เป็นเวลาเราต้องไปติดอองงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะเต้นตื่นเต้นห้ามมันไม่ได้หรอกที่ตื่นเต้นมันจะตื่นเต้นห้ามไม่ได้แล้วก็ ปฏิบัติมาก็พอสมควรไม่ทราบเป็นยังไงบ้างก็ดีเหมือนกันนะไปถึงไหนแล้วคะหลวงพ่อจะไปไหนล่ะอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปไหนหรอกรู้สึกตัวบ่อยไหมเวลากิเลสเห็น่ะเวลาถอนใจรู้สึกไหมรู้สึกค่ะเห็นร่างกายถอนใจดูกายชัดกว่าดูจิต เพ<ฆ>นะราะงั้นรู้สึกในร่างกายบ่อยๆเนะนี่ยร่างกายพยักหน้าร่างกายพูดร่างกายขยับรูนะ้สึกร่างกายคว้านบ้านทู บ, บ้านร่างกายทำงานรู้สึกนะแล้วก็ดูเหมือนเห็นคนอื่นทำงานไปเรื่อยๆเห็นคนคนอื่นเคลื่อนไหวเหมือนดูคนอื่นอะ่ะบางทีมันจะมาแวบๆเหมือนกันฮะเออนั่นแหละดูรู้ตรงนี้บ่อยๆดูกายนะดูกายไว้นะแล้วก็ดูใจไม่พอหรอกมันหนีไปหมด นีหมดเลยใช่แล้วชอบไปไปเหมือนแบบไปติคนอื่นอะ่ะใช่ใจเราแบบคนอื่นทําอะไรเราชอบไปตีนี่ไงเราต้องมาดูไก่ของเราไม่มีปัญญาตีใครเลยพออ้าปากจะว่าเขานะรู้สึกแล้วอ่ะเนี่ยไม่ตีละบางทีพอติในใจพอติติไปเขาไม่หยุดนี่เราแบบออกไปแล้วเออนั่นแหะรู้สึกในร่างกายบ่อยๆนะค่ะรู้สึกไปบางทีพอว่าเข้าไปแล้วอะไรแล้วเรา ม, มีความรู้สึกอะ มามาเสียใ จ, ยใจทีจทหลั ง, ลงเป็นอย่างนั้นแหละพวกที่มโมโหไปนอย่างนั้นทุกคนอะ่ะแล้วเสร็จแล้วมโมโหตัวเองต่อว่าไม่น่าไปว่าเขาเลยใช่<笑><笑>ไม่น่าไปว่าเขาเลยแล้ว<อ>เราก็มานั่งแล้วก็ไปขอโทษเขาทีหลังอืก็ยังดีนะยังรู้จักขอโทษก็ยังดีถอนหายใจอีกแล้วหลวงพ่อมีอะไรแนะนํ า, น า, น า, นาอีกไหมคะนอกจากดูกลดูกายไปนะแล้วก็ส่วนทางใจเนี่ยตัวที่เด่นเนี่ยคือตัวโทสะ ค่ะดังนะนั้นโทรสาพูดขึ้นมาก็รู้เอาบางทีมันไม่ทันนะฮะไม่ทันไม่เป็นไรโกรธก็รู้ว่าโกรธไม่ใช่ว่าโกรธก็รู้พร้อมๆกันเป็นไปไม่ได้หรอกโกรธแล้วแน่นตอนนี้ก็รู้สึกแน่นแน่นชาแน่นเพราะว่าบังคับตัวเองมว้อ๋อค่ะมันกดเอาไว้ไม่ใช่โกรธอันนี้กดอันนี้กดเหรอคะอันนี้อาการกดใช่ไหมคะกดเอาไว้ทําไงถึงจะปล่อยคะเนี่ยปล่อยไม่เป็นทําไม่ได้มีปาัชนาม<อ>ไม่มีคําว่าทํานะ มีแต่คำว่าเห็นตางความเป็นจริงเห็นไหมมันกดได้เองเราไม่ได้เจตนากดจนชาเลยค่ะโชาไปทั้งตัวเลยตอนนี้มีวิธีแก่เอาไหมเอาค่ะส่งไม้ไป <laughs> หายแล้วอหายยังเห็นไหมโล่งเลยเห็นไหมออเนี่ยไอ้ตัวไม้นี่แหละตัวไม่ดีอ้ <laughs> อาวเกาหลวงพ่อค่ะ ฟังแต่ซีดีของหลวงพ่อคะ่ะไม่เคยส่งกันบ้านไม่เคยไปปฏิบัติก็ฟังมาราักระยะหนึ่งฟังแล้วก็ปฏิบัติตามที่คิดรู้สึกไหมว่ากายกับใจมันแยกได้แยกได้ค่ะนะสุขทุกข์ดีชั่วเขาแยกได้แยกได้ไดนี่เรียกว่าแยกขันได้แล้วเดี๋ยวนี้คนแยกขันเป็นเยอะนะแล้วของหนูก็แยกถูกด้วยจิตไม่ไปอยู่ข้างนอกจิตอยู่กันแน้วก็ตัวจิตถูกที่ เน้อต่อไปนี้ดูไปได้ด้วยนะใจโมโหขึ้นมาก็รู้ขี้โมโหไหมโมโหบ้างนั่นแหละโงะเ่เฮงให้พอนะใจหงุดหญงิดขึ้นมาก็รู้ทัน่นะดูจิตดูใจทํางานไปได้ภาวนาถูกแล้วละ่ะการพาวนาต่อไปนี้ไม่ลําบากแล้วมันลําบากตรงที่ว่าจะแยกขันได้ไหม่อแยกได้แล้วอย่างง่ายนี่แยกได้แล้วจิตตั้งมั่นถูกต้องด้วยยิง่งยิ่งดีใหญ่ปัญญาจะเกิดนะ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 ดูไปได้ได้มีแต่ตัวทุกข์ไม่ต้องไปภาวนาให้มันหายนะเพราะไม่หายมันมีแต่ว่ารู้ความจริงว่าทุกข์แล้วมันวางมันไม่หายหรอกมันก็ทุกข์ของมันอยู่นะแต่มันวางไปทําต่อไปใช้ได้ละพอดีหนูมีสิ่งที่แบบจริงๆก็คือเมืม่อเมื่อตอนที่เริ่มปฏิบัตินะคะหลวงพ่อมันชอบสมการบ้านส่งการบ้านตลอดเวลาฟังซีดีไปก็ส่งอยู่เนี้ยอยู่<ม>บ้านนะส่งอยู่ตลอดไม่ต้องรอ แล้วตอนนี้มันก็พอรู้ว่าจะมาฟังนะชอบส่งการบ้านเงี้ยก็เลยแบบลองส่งสักครั้งซิจะได้เลิกไปจะได้เลิกส่งเออส่งบ่อยๆไม่ดีหรอก <laughs> ฟุงสั้นพอดีหนูมีปัญหานี้เลยค่ะหลวงพ่อทุกครั้งที่ตื่นนอนมาก่อนที่มันจะรู้สึกจิตมันรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนนะคะมันจะเห็นเหมือนเห็นเหมือนอะไรยิบยิบยิบยิบยิบถูกแล้วสังขารละเอียดมันปลุงขึ้นมาก่อนมันยังไม่ได้แปลนะ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 อยจะฟุ้งซ่านในธรรมะเดือนต่อไปมันจะพูดธรรมะไม่เลิกเจอใครก็จะสะกิดจะเทศให้ฟังเรื่อยๆนะต้องระวังนะตัวนี้มันเป็นวิปัสสนูนตัวหนึ่งใจที่ใจที่อยากแสดงธรรมะอยากพูดอยากถามอยากเถียงอนะไรน่ะอย่าไปอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยอมมันใช้ได้นะจิตเนี้ยบมากเลยอ่ะออออปฏิบัติมาพักหนึ่งแล้วนะคะเท<ม>่านี้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 แล้วก็มันมันมันเห็นแต่ตัวทุกตัวทุกอย่างเดียวมันแต่ใจมันไม่ชอบนะบางทีใจก็สลดสลดจะรู้ว่าสลดไม่ให้ความสลดครอบงำใจไปนะดูอย่างนี้หละจิตไม่ถึงฐานนะดูออกก็ออดูออกจก้ะดูออกไม่มีปัญหาละ <c oughs> ถ้าดูไม่ออกก็มีปัญหาออกต่อไปคนสุดท้ายแล้วตื่นเต้นไหม เดินเ่นค่ะการมาสักการหลวงพ่อค่ะก็ใครบังคับให้มาถามหรือเปล่าเนี่ยแม่ค่ะแม่เหรอรีบฟ้องเลยแล้วแม่อยู่ไหนอ๋อแม่อยู่นั่นแม่เหรอค่ะอ่ะก็ ขี้โกรคะ่ะไม่เคยดูอะไรเลยอะไรนะไม่เคยดูซีดีขอ ง, งหลวงพ่อเลยคะ่ะไม่เออซีดีอย่าไปดูฟังเอาเวลาดูคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไว้นะอย่ากโกรธขึ้นมารู้งอนขึ้นมารู้อยากกินขนมรู้อยากไปเล่น้็รู้รู้ทันใจก่อนที่เวลามีความอยากเกิดทั้งหลายนะ ใ, ให้รู้ทันว่ามันอยากแล้วส่วนจะทำหรือไม่ทำเป็นอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> นะเช่นมันอยากมันงอนขึ้นมานอะไรเงี้ยเรารู้มันโกรธขึ้นมาเะรเงี้ยเรารู้มันดีใจเรารู้มันเสียใจเรารู้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปได้่อยๆหนูพาวนามไม่ยากหรอกหน้าตาฉลาดภานามไม่ยากรู้ตัวไหมว่าฉลาดไม่ <c oughs> รู้เอเออรู้ซะแต่ไปนี่พาวนานะ <c oughs> ถ้าหนูเลิกพาวนาเมางงาื่อไหร่โง่เมื่อนาน่อย คนภาวนาต้องฉลาดนะถึงจะภาวนาเพราะว่ามันหาทางออกจากความทุกข์ได้คนไม่ฉลาดมันก็จมอยู่กับโลกไปเรื่อยๆชีวิตไม่มีความหมายอะไรอายุเท่าไหร่แล้วสิบเอดค่ะส1บเอดภาวนาได้แล้วละ่ะหลภงพอภาวนาตัน7จขวบเ <c oughs> นี่คนเนี้สิบขวบันนี้เขาเห็นมันหมุนอยู่กลางหน้าอกนะแต่นานๆเห็นที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 เอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกรปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังจิปเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยถ า, ามณีโชติรโสยทาสาพีติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุธาปจายโน จตารโรธรมาวันติอายุวันโนสุ ข, ขังพระลังหลวงพ่ออนุโมทนากับทางโรงแรมนะเจ้าของโรงแรมนิมนต์หลวงพ่อมาเทศที่นีนะ่เป็นการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมกับสังคมนะก็ขออนุโมทนาด้วยนะ